เลิกใช้ยังนะไม่เต้าปลอมมาแล้วเนาะพอหลวงพ่อมาแล้วเรียนธรรมะนะอย่าไปวาดภาพธรรมะใา้มันยุ่งยากธรรมะไม่ใช่ของยุ่งยากไม่ใช่ของซับซ้อนเลยหรอกเรียนธรรมะก็เพื่อปลดเรื่องความทุกข์ออกแกะใจเราให้ได้เนื้อว่าถุประสงค์หลักจริงๆไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้อะไรนักหนานอยู่แค่ว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์เท่านั้นแหละ ความทุกข์มันอยู่ในกายความทุกข์มันอยู่ในใ จ, น อ, ยในใจอยากจะพ้นจากความทุกข์ก็ต้องมาเรียนรู้มันความทุกข์ไม่เข้ามาอยู่ในกายในใจได้ยังไงถ้ารู้ทันมันจริงๆก็ไม่เข้ามาแต่ความทุกข์ทางกายนะห้ามมันไม่ได้หรอกถ้าตามรู้ตามดูกายไปเรืยรู้ว่าห้ามมันไม่ได้หรอกมีร่างกายนะเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเ weed, ดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็หายในร่างกายมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ ห้ามมันไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านก็เจ็บป่วยไม่ใช่ไม่ป่วยเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองการมีวันหนึ่งไปบินสบาดมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะเขามาใส่บาทเราตัดบาทใส่เราตัดโลกตัดภัยให้หลวงพ่อเอนะาไหวเอาโครคภัยไข้เจ็บสวายนะอีวันเราไม่สบายไปเลยนะตอนนั้นครูบาอายังไม่ได้บวชนะ ก็ให้ไปบอกโยมวันนี้หลวงพ่อไปบินสบายไม่ได้นะใครขึ้นโยมอุทานด้วยความตกใจฮะร่างก็ป่วยเจ็บ น, นึงกันเหรอนเนี่ยคิดอะไรพิลึกในร่างกายนี้ยังไงก็เจ็บก็ป่วยนะห้ามมันไม่ไดนะ้ร่างกายนี้ยังไงก็แก่ก็เจ็บก็ตายห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราทําใจได้เรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตาย ถ้าจิตใจยอมรับความจริงอย่างนี้ได้ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในร่างกายมันก็ตอบสนองได้รับได้อย่างถ้าเรายอมรับได้นะว่าเราต้องแก่เวลาแก่ก็ไม่กลุ้มใจสาสาวนึกออกไหมตีนกาอันแรกขึ้นรู้สึกยังไงอันแรกขึ้นรู้สึกสาหัสสากันเลยใช่ไหมเป็อันที่ยี่สิบขึ้นนี่เฉยๆแล้วน่าอะไรก็ยอมรับได้แล้วมันแก่ ถ้าใจเรายอมรับความจริงนะร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้ก็ไม่ทุกข์ใจมากทุกข์มันก็อยู่เฉพาะร่างกายจิตใจมันก็ไม่ทุกข์ด้วยหรอกบางคนแล้วอยู่ๆติดตรวจร่างกายแข็งแรงดีหรอกนะติดตรวจเจอมะเร็งเห็นมะเร็งนะไม่ทันจะเป็นอะไรหนักหนาอะไรชอบตายแล้วเป็นมะเร็งขึ้นมาก็รุ่มใจเมื่ทั้งที่ความเจ็บปวดปวดยังไม่ทันจะเกิดขึ้นเลยเป็ขั้นแรกๆรกุ่มใจนะุ่มใจมากๆ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 การทัศน์เ่านั้นเนี่ยกำลังเก่ายิ่ๆอยู่แต่ไม่รู้นะที่ <c oughs> จริงถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในกายเราจะเห็นในทั้าการนี่เป็นเรื่องความทุกข์ร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษไม่ใช่ตัวสุขที่แท้จริงหรอกนี่เราคอยมีสตินะรู้สึกกายได้เ้วยคอดูความจริงของกายไป้ด้วถึงจุดหนึ่งปัญญามันก็เกิดร่างกายที่มันทุกข์จริงๆไม่ใช่ของดีของวิเศษเหมือนที่นึกไว้แตได้เปล่า เราเห็นความจริงว่าร่างกายมันเป็นุกมินะไม่ใช่ของดีของพิเศษเวลามันเป็นอะไรขึ้นมามันไม่หวงแหนมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ไม่หวงแหนมันเพราะมันเป็นตัวทภูมิมันไม่ใช่ของดีนี่ที่ผ่านมาเวลามันแก่มันเจ็บมันจะตายแะ่รนี้เราทนไม่ได้เพราเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นของดีของพิเศษเรามาหักเจริญสตินะเรารู้สึกอยู่ที่ร่างกายบ่อยๆเห็นมันมีแต่ภูมิคือถ้าเห็นอย่างนี้เรื่อยไป ต่ยอมรับความจริงได้ร่างกายไม่ใช่ของดีอย่างที่คิดต่อนะเป็นที่ตั้งของความทุกข์นานาชนิดเลยถ้าใจยอมรับตรงนี้ไดนะ้อะไรจะเกิดขึ้นในกายนะมันก็ทุกข์อยู่ที่กายนะมันไม่ทุกข์ามาถึงใจนะนี่ในส่วนของจิตใจบ้างเราก็ม่เรียนรู้ความจริงของ จ, งจนะิตใจกรรมฐานไม่มีอะไรมากหรอกนะถ้าไม่รู้กายก็มารู้ใจความจริงของชีวิตชีวิตเราก็มีแต่กายกับใจนี่แหละ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 มันจะสามารถดูกายสามารถรู้ใจได้ด yeah, <Yes. S 1> ูกายก็เห็นไปมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยดูจิตใจดูไปมีแต่ความไม่เที่ยงอย่างจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขใช่ไบางทีก็มีความสุขขึ้นมาความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเดี๋ยวเขมีความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดีใจเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นมาจะรอกจะตรวจจะหลงอะไรก็ตามเถอมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไป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 พอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชื่วคราวเนี่ยคราวนี้เวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราไม่หลงระเริงแะ้พอความสุขหายไปเราก็ไม่เสียดายนะไม่ทุรนทุรายเพราะความสุขหายไปนะถ้าเรารู้ว่ามันของชื่อคราวความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่ทุรนทุรายถ้าเรารู้ว่าชื่วคราวไม่ต้องเกลียดมันความทุกข์อยู่ชื่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนกันเนี่ยการที่เรามามีสติคอรู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชื่อคราวน ถ้าตัวอย่างมันเปของโชคเก่าแล้วเราจะไม่กลัวความสูญเสียคนในโลกไม่กลัวความสูญเสียนะหรือถ้ายังไม่มีก็อยากมีขึ้นมาพอมีแล้วก็กลัวว่าจะสูญเสียไปแต่ถ้าใจเราเห็นความจริงทุกอย่างเป็นของโชคราวความสุขก็โชคเก่าใครเคยมีความสุขตลอดเวลานี่ไหมความสุขที่ไม่เคยหายไปมีไหมไม่มีนะเราไึ่โดดในชีวิตเราเนี้ยมีไหมความทุกข์ที่มีตลอดเวลา ไม่มีนะความทุกข์กอยู่ชั่วคราวนะอย่างบางคนทุกข์นานหน่อยอกหักใครเคยอกหักบ้างบากคนสุมเมศุนถามที่หนยบก่อนทุกทีเก็าลรงจะประกาศเม่ตอตอนนี้ยังโสดใช่ไหมอกหักแล้วโสดคนไหนไม่เคยอกหักนะ้วชีวิตไม่มีรสชาติไม่รู้จักว่าความทุกข์เป็นยังไงใครเคยคนที่เรารักตายแล้ว พ่อแม่ตายสามีปัญญาตายใครเคยมีรูปตายบ้างมีไหมมีรูปตายเนื้อชีวิตมันเตกมไปด้วยความไม่สมบันะตินะความพลาดพลาดถ้าใจเราคิดแบบว่าทุกอย่างต้องถาวรทุกอย่างต้องถาวรแล้วพอเราเจอกับความเปลี่ยนแปลงแล้วเรารับไม่ได้ไหมใครเคยรวยบ้างมีไนมใครเคยรวยะแล้วพอสบู่แตกแล้วมันไม่รวยตอนนีน้เวลาเคยรวยใช่ไหมแ้วพอมันไม่รวยนะเฉาเลยใช่ไหม สมิตรเคยมีเงินน้อยล้านหรือล้านเดียวเฉาเลยแทบจะตายนะแล้วต่ขาดใจตายแนละ้วคนเคยมีเงินสองร้อยบาทวันนี้มีพันบาทมีความสุขแล้วมีไม่ถึงล้านก็มีความสุขนะเพราะเราอยู่ที่ใจเรานี่เองแล้วเคยมีสติรู้จิตใจของเราไปเรืนะ่อยความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวอะไรอะไรก็ของชั่วคราวถ้าใจยอมรับความจริงได้ว่าอะไรอะไรก็เป็นของชั่วคราวเนะี่ยความทุกข์มันจะตกหายไป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 มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันของบังคับไม่ได้ถ้าดูไปมากๆแใจจะคลายความยึดถือในกายในใจอะไรเกิดขึ้นในกายไม่รุ่มใจอะไรเกิดขึ้นในใจิตใจไม่กลุ่มใจถ้ารู้ตรงนี้นะจนวันหนึ่งใจยอมรับความจริงได้ความทุกข์มันจะตกหายไปธรรมะขอ ง, ของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะที่อศัศจรรย์มากเป็นธรรมะที่เราต้องดูเอาเองก็งฝึกเอาเองเป็นธรรมะของคนที่ฟึ่งตัวเองไม่ใช่ธรรมะที่หวังฟึ่งสิ่งอื่นๆ อย่างเช่นมาขอพร น, นะมาจุดธูปจุดเพียนไปไหว้พระพุทธสีหิงไหว้พระทงพระธาบเลยนะอธิษฐานนะขอให้มีความสุขขออะไรนะได้แต่ความสบายใจหรอกนะว่าได้ขอแนละ้วจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจ ต, ตามการกระทําของเราเองนะไกิจกรรมกรรมของเราในศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนร้องขอให้ใครมาช่วยเราหรอกเทวดายินดลมอะไรเราก็ลําบากของเขาอยู่แล้วต้องช่วยเราจริงจังอะไรนะั้นไม่ได้หรอก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 คอยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยดูมันแสดงไลรักษณ์นจังทุกข์ถามนักตาเวสไปถ้าใจเห็นความจริงแล้วใจจะคลายความยึดถือออกไปพระเจ้าเคยสอนนะถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายเพราเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพ้คลายความยึดถือจึงหลุดพ้นหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดแล้วใจมันจะโล่งโปร่งเบานะั้นใจมันไม่เข้าไปหยิบเฉยอะไรอีกใจของเราที่ยังไม่พ้นเลจะเข้าไปตะครุบอารมณ์ตลอดเวลาไปเกิดไหมใจจะ ก, กระโดดใส่อารมณ์ตลอด ถ้าภาวนาเป็นนะดูจิตดูใจเป็นจะเห็นจิตโสดสัทวุภรมทั้งวันทั้งวันทั้งวันทั้งคืนไเพรานั้นสะทวุบขึ้นมาตีอะไรความทุกข์เกิดขึ้นเป็นภาระขึ้นมาทุก ป, ป, าา ป, ปีแต่ถ้าจิตใจได้รับการฝึกหัดนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้ว่อยไปมันเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นะย คลายความยึดถือไปนะไม่ไปแดบกบไปหามมันนี่มัใจก็โปร่งโล่งเบานะใจจะมีความสุขมากไม่มีอะไรเหมือนดอกความสุขของธรรมะความสุขอย่างรอบๆเป็นความสุขที่ต้องหยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาความสุขในธรรมะนะั้นไม่ได้หยิงอาศัยใครนะเพิ่งเกิดเองแท้ๆเลยน้ำพักน้ำแรงแท้ๆเลยนะมีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไปสติก็ต้องทําให้มันเกิดขึ้นในรู้กายรู้ใจก็ดูกายดูใจของตัวเองไป เนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปอย่าใจลอยคนเราส่ใหญ่ชอบใจลอยใจลอยแล้วก็ลืมกายลืมใจไม่ได้รู้กายรู้ใจต้องคอยรู้กายต้องคอยรู้ใจบ่อยๆนะเราเคยได้ยินคำว่ามรคนิพพานอยากมีมรมีผลขึ้นมานต้องรู้กายรู้ใจไม่มีทางเลือกที่สองไม่ใช่ไปร้องขอขอให้ได้มรได้ผลใสบาตแล้วก็ขอนะนิพพานนะปัจโยโธตโุขอไปเถิดพระที่รับบาตก็ยัง อาตมาก็ไม่มีเหมือนกันนะเพื่ขอเอาไม่ได้อยากได้เมตตานิพพานนะอยากจะพ้นทุกข์จริงๆต้องเจริญสติเอาเนี่ไม่ใช่ว่าเจริญสติอย่างเดียวนะคุณงามความดีทั้งหลายต้องทำทั้งนั้นศีลก็ต้องรักษาคนที่ไม่มีศีล ใ, ใจไม่สงบใจอย่าพู่สร้างก็คืออย่างง่ายๆนะถ้าเราจะโกหกใครสักคนเราต้องคิดใช่ไหมคิดที่ไม่สงบนะต้องวางแผน โกโหกเขาจะเชื่อไหมพาโกโหกคนนี้เสร็จแล้วจเจออีกคนหนึงโกโหกอีกอย่างหนึ่งต้องใช้ความจํามากเลยเกิดโกโหกแล้วอีกวันนึงไปพูดอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนี่เสียหายอใช่ไหมนั่นะกระทั่งโกโหกนายัางเหนื่อยเลยต้องปรุงแต่งต้องคิดมากจะกินเหล้าก็ต้องคิดมากนะหาเงินมากินก่อนนะแล้วไปชวนคนมากินกินคนเดียวก็ไม่ดีเหงาเหงาหลวงพเคยเจอที่เมานะเพื่อนกัน่ย หลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์เหมือนท่านแหนมเพอเนีน่ยแหนมเพอได้รุ่นพี่หลวงพ่อปีท่านสุรินเพราะรัฐศาสตร์มีอยู่กลุ่มและชอบกินเหล้าน้อยเวลาจะกินเหล้าแต้องชวนเพื่อนไปกินด้วยมันอ้างพุทธภาสิตได้นะบอกว่ากินคนเดียวไม่เป็นสุขนม่มีพุทธภาสิตนะลองลองนรกลงด้วยกันมีเพื่อนคือติเวลาจะกินเหล้าใช่ไหมก็ต้องจิตใจเพื่อนวาย สติวุ่นวายจะปิ้นชู้เขาใช่ไใจสงบไหมใจก็ไม่สงบนะใจก็วุ่นวายจะวางแผนไปฆ่าเขาไปตีเขาใจก็ไม่สงบใจก็วุ่นวายใจที่ไม่อาคาดมากร้ายนะใจที่ไม่ละโมบลบมากแม่อาของใครเขาใจที่สันโดษอยู่ในผู้ของตัวเองอะไรอย่ใจอย่างนี้สบายเพรนั้นตอนที่เรารักษาสีน่ะเมื่อกี้มารลักขอสีนกปแล้วรักษาไว้แล้วใจมันจะสงบ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 ทั้งกายทั้งใจเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์นี่เราจะไม่ยึดถือทุกวันนี้เรายึดถือกายยึดถือใจเพราะว่าเราเห็นว่า ก, กายนี้ใจนี้นําความสุขมาให้เราได้แต่ถ้าเรามีสติจริงๆเราเห็นกายนี้มันทุกข์นะใจนี้มันทุกข์อย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อตอนภาวนามไม่เป็นตอนเด็กๆนะั้นเวลานอนนี้รู้สึกมีความสุขพวกเราตอนนี้ใครยังรู้สึกมีความสุขตอนนอนมีไหมสารภาพสินะลองยกมือให้ดูแกงงวงันะ เยอะเลยนะรนู้สึกนอนแล้วมีความสุขลงแก่ๆหน่อยจะรู้เลยนอนก็ทุกข์นะนอนโอ้เมือ่อยแล้วพลอีกทีอพลิกแรงใส่ก็ตื่นเอมันมันทุกข์ทุกข์อีกิยาบถอะไร ย, ยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทั้งนั้นเลยพอเราเห็นว่าเป็นเป็ น, ปนตัวทุกข์นะมันไม่เสียดายแล้วถ้าถ้ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันเป็นตัวดีเป็นตัววิเศษถ้าจะตา ย, าตายนย่างเสียดายถ้าเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์มันจะตายเสียดายอะไรเนี่ย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 อย่างคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อนะคนรวยๆเยอะนะแต่ไม่ใช่ว่าวัดหลวงพ่อเปิดรับเฉพาะคนรวยแต่บางทีคนจนๆไม่กล้าเข้ากลัวเองอเห็ น, นหรถจมเยอะเลยไม่กล้าเข้าอย่ากลัวนะคนไหนเข้าว่าหลวงพ่อไม่เสียสตังนะไม่มีเรื่องอะไรยังคนยากคนจนอะไรก็ไปเรียนได้มีคนมาบอกหลวงพ่อเรื่อเลยว่าประเทศนูน้นประเทศนี้ฟังซีดีหลวงพ่อเลยฟังก็เฉยๆนะ เก็เไม่โง่กวดฟังที่เด็นั้นนะฟังแล้วมันก็สติมันเกิดก็ฟังไปสิแต่มีวันนะคนมาบอกว่าเนี่ยคนฉี่ซาเล้งนะะ อ, อซื้อของเก่าๆซื้อปวดซื้ออะไรมันเปิดฟังไปด้วยหูเราฟังแล้วดีใจนะธรรมะโนไปถึงคนยาก ค, คนจนคนที่ทุกข์ยากอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีอย่างอื่นแล้วก็มีธรรมะเป็นที่พึ่งได้น่าคลื่นใจเมื่อข่าวตามร้านโชว์วยนะ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 สังเกตจิตสังเกตแจไป ม, มันก็ค้นทุกไปด้วยกันแลอวได้ค่อยๆฝึกไป น, นะเพศเท่านี้ก็พอแล้วนะเพศเยอะเราขี้เกยียจฟังมีใครจะคุยไหมมีใครจะคุยไหมหลวงพ่อชอบนะเวทีขนาดนี้ไปเทเพศแต่ละแห่งแต่ละแห่งควรเป็นพันพันสองพันสามพันห้าพันแล้วเพศแล้วมันห่างไกล อย่างนี้ดูใกล้ชิด น, นะใครชอบบอกเอยว่าเข้าไม่ถึงหลวงพ่อวันนี้เข้าถึงแลมีอะไรคุยไหมนีหลวงพ่อให้ทุกคนไปได้สมัยนี้นักตากล้องครับผมเคยส่งไปบ้านหลวงพ่อเม้่อประมาณหกเดือนที่แล้วนะครับล่าสุดก็หลวงพ่อให้ไล่ไปเดื่อยๆนะครับเพราะว่าติดเท่งครับก็ พยายามก็ผอนายลงมาครับจนวันหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติอะไรก็ขับรถอยู่ปรากฏรู้สึกว่ามันเห็นกายทำ ง, งานแล้วก็มีจิตใจทำ ง, งานก็ ม, มีมีตัวรู้อยู่อะไรี่ทำหลวงพ่อครับก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นหรอกรือเกิดขึ่นจริงสิรู้สึกหมจิตใจเราเปลี่ยนไป นะไปเห็นไหมกายนี้กของถูกรู้น ะ, ะความโลภความโกรธความโลภความสุขความทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ไปหมดเลยถ้าไม่เขาคุณนมันเกิดตัวรู้ขึ้นมาถูกไหมเพราะเราเคยทำสมาธิมาก่อนคนที่เดริญสติไปเลยไม่ได้ฝึกสมาธิให้ฝันจะไม่มีตัวรู้ไม่ตั้งตัวรู้นะแต่ว่ามีตัวรู้เราก็ไม่ได้เอาไว้ยึดถือเราเอาไว้อาศัยนะอาศัยรู้กายอาศัยรู้ใจไปคุณรู้สึกไหมใจมันโปร่งโล่งบากว่าแตก่อนรู้สึกนะ ก็เราไม่ได้เพ่งเราไม่ได้บังคับส่วนใหญ่เราไปว่าภาคการปฏิบัติไว้ผิดความจริงว่าต้องเพ่งมันดูสีชี้ไฟเพ่งมานานเราก็ชินอย่างนั้นเราไม่ชินแค่ได้มีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้บ่อยๆรู้บ่อยจนกระทั่งมันเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมารู้โดยไม่จงใจที่คุณว่าดังคับรถรู้สึกไหมไม่ได้จงใจคแต่เราขันมันแยกออกไปนะกายก็ส่วนกายใช่ไหมเห็นกายขับรถไปเห็นจิตเปนคนดูไป จะเห็นความรู้สึกที่ผ่านมาผ่านไปนนเป็นโคราชโคราชกันหมดเลยนะอย่างนั้นนะเราดูนะตอนนั้ น, นเกิดปุ๊บผมก็กลายเป็นดีใจแทนพะว่านี่เองที่ที่หักไ้เป็นเ<อ>วา น, านแล้วหายไปเลยครับดีใจเรารู้ว่าดีใจนะถ้าอยากให้เป็นจะไม่เป็นนะเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจดูเล่นๆไป เ, เ, เรื่อยถึงเวลาที่เขาพอสมควรแล้วเขาก็เห็นเองับไปเห็นทั้งมันนะ เห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนตัวรู้มันยังเด่นขึ้นอะอยากจะขอการแล้วก็ของคุณของคุณก็ทําอย่างเดิมนะทํำไปที่ฝึกอยู่ดีแล้วทำสมาธิก็ได้ตอนนี้ทําได้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าเพ่งเป็นยังไงบางคนนะผมก็ให้เลิกสมาธิก่อนเพราะว่าติดเพ่งแล้วพอพอเลิกเพ่งแล้วมีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตอะไรเงี้ยกลับไปทําสมาธิพักผ่อนได้แต่ไม่กลับไปเพ่ง ดีเท่านโมทนาก็พุ่งถึงท่านแรมเปิดท่านยกมือเหี๋ยวเงินเดือนไม่ขึ้นบริการงานนะครับอยู่ตรงก๊อได้แล้วก็ฟังพี่ดีมายเรองนะครับเราพยายามก็เห็นความไม่ค่อีไม่ดีของตัวเองหลายอยางเื่อนี่วยเนะครับ ก็มีครบนะครับทั้งต้องมีทังทั้งหลทั้งเพ่งทั้งแทรกแซงทั้งบังคับอะไรนะครับเราแค่รู้เราไม่บังคับเขานะไม่แทรกแซงไม่ดัดแปลงจิตหลงรู้ว่าจิตหลงจิตเพ่งรู้ว่าเพง่งเนี่ยราจะเห็นเลยจิตจะหลงเขาก็หลงของเขาเองอย่างจิตเราเคยฝึกเพ่งมาพอ เ, เพ้อเพ้อพอคิดถึงปฏิบัติมเมื่อไหร่ก็จะเพ่งอีกเขาเป็นไป ต, ตามความเคยชินนะ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 กิเลสฝุดขึ้นในใจเราพอรู้ทันนะพอเรารู้ทันนะเราก็ละอายแก่ใจที่จะทําความชั่วนะเรารู้ว่าทําไปแล้วก็ไม่เป็นผลดีนี่เรียกว่าเกรงกลัวบาปเราก็จะค่อยๆมีสีขึ้อนอัตโนมัตินะงั้นมีสติมันก็จะเกิด อ, อีริโอตาปะละายใจที่จะทําชั่วเกรงกลัวผลของบาปใจก็จะมีสีขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่อยฝึกแป่ใจก็จะตั้งมั่นสงบขึ้นมาพอเรามีสีนะใจเราสงบง่าย มีสมาธิมีปัญญาเป็นลําดับลําดับไปไม่ยากหรอกตอนนี้ท่านลําเพอมีที่ปคิดทราบไหมหลายๆไปคิดเอาครูว่าหลายๆไปคิดเชิญต่างไปแนะนาให้ซื้พิมพที่บ้านอนะไรนะคะมีหัวข้อว่าท่านไปนเทศที่ให้ติดแท่ฟังนะค ะ, อ, ะอยากเรียนถามว่ามีหัวข้อสําคัญอะไรยังไงที่เป็ น, ป, นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปบ้าง ในใจว่าที่ร้านนี้เป็นร้านขายยาจะมีพวกที่มีปัญหาทางจิตมาพื้ยาแล้วก็องกาาให้เราปอดใจแก็รกาให้เราเปสารที่เกิดจากจีตด้วยเนี่ยก็สามีเองก็ไม่ตามนะคุยกันหลายชั่โมเลยบทีอยากจะให้ข้ความทีดีกับเขาวเอาทีดีโดนพอไปแจกเข้าไปที่บ้านแจกดีนะ่ว่าแจกแผ่นไหนดีคะแผ่ไหนก็ได้เด็กันทุกแห่นเท่นเด็กกันทุกวันคือคนเครียดนะนี่เป็นเท่นให้จิตแพทย์ฟัง จิตแพทย์เองเขาเครียนฝังคนบ้าพูดทั้งวันเขาเครียดสิคนเราเคียดได้เพราะใจเรามันไม่เป็นกลางงั้นเพืาอให้เขาคอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆสังเกตไม่ให้เขาตุ้มใจได้เขาหลงไปคิดถ้าเมื่อไหร่เขารู้ทันแล้ใจเขาหลงไปคิดแล้วนะ้นเขาลืมกายเขาลืมใจไปถ้าเขารู้ตรงนี้แล้วเขามารู้กายรู้ใจได้เขาหายเลยแต่อันนี้เฉพาะโรคจิตที่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 เรามีบุญได้ซีดีมาแผ่นบางเอื่อยไม่มี้มาแผ่นก็แบบเปิดฟังบ่อยมากก็เดี๋ยววันนี้ได้อีกแผ่นละะเออล้วนี้ก็ไปเปิดเวนไชน์่หนกันก็กจะไปปฏิบัติธรรมที่บ้านของพ่อมากเลยก็วันนั้นก็ดีบางเอ่ก็ได้บังเอื่อีกละเวัวลูกสาวก็ขับรถไปไปบนเห็นไหเรามีเจตนาเห็นไ้ย เจอลูกสาวลับรถไปไม่มีพังเอื้อนมีแต่กรรมร้วนๆเลยแต่วัดอีกนะโอ้นี่ไม่ได้เปิดข้อมูลเปิดไม่ได้หมอไอ้นีก็กลับมาบ้านจะมาดูเือไอ้ที่ตาปฏิบัติธรรมแบบอ่างไม่ดีเลยนะแล้แบบมันจะยามามากเลาปีห้าสี่ห้าห้าอะไรอย่างเงี้วอยู่ที่ไปอยู่วัดเหรอปีหกหนึ่งต่างหา แต่ทอนี้เราครอิแล้วไม่ได้ให้จองโยงอยู่ที่ไหนล่ะโอ้ขับรถไปฟังขับรถไปนี่แหละให้น้องเขพาไปคนมั้องไปเทียวแยะนะคนมือชนไม่ไปไหนเท่านะเข้ามาถึงทั่วประเทศเลยแล้วมีปัญหาไงพ่อ้เดบางทีนที่มีโยงคนที่หล บอกว่าที่เขาทําไม่เต็มนลแล้วเขาปฏิบัติเอาจากที่เขาได้ ท, ทด ป, ป็นชีวิตประจำวันเราปฏิบัติแบบนั้นก็ได้ได้ได้ตื่ในชีวิตประจำวันนะเราพอรู้ตั้งแต่ตื่นเลยเป็นแค่ราชการหรือเปล่าเป็นแค่เป็นาาานะรนนลรงนึกดูสิตื่นเช้าวันจันทนระ์ความรู้สึกไม่เหมือนตอนตืนเช้าวันศุกร์รู้สึกไหเนี่ยเราคอยวัดใจตัวเองไปเรื่อยโดพ่อรู้ดีเลยพเพราะเป็นราชการมานาน <c oughs> วันจันทรนี่นะว่าเบื่อที่สุดขี้เกียจที่สุดเลยวันอัคารนี่ก็แห้งแ้งใช่ไหมวันพุธสุดเบื่อเลยต้องพลอยจะมาฟังเทศฟังพอวันทีพรหัสเนี่ยเริ่มมีความสุขแล้วถึงวันสุกรนะนึกขึ้นได้ว่าวันสุกใจว่าประดิษฐ์ดาเนี่ยเราเคยรู้ความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันในวันเดียวกันเช้าสายบลายเย็นก็ไม่เหมือนกันเราเคยรู้ไปจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบ ตาเรามองเห็นเห็นคนนี้ดีใจเห็นคนนี้เกลียดหูได้ยินเสียงเนี่ยคนนี้เขาชมคนนี้เขาด่าเสียงเพลงนี้เพราะเพลงนี้ไม่ไม่ชอบมีหมาเห่าตอนดึกตอนจะนอนเนี่ยลำคาญเนี่ยหูได้ยินเสียงความรู้สึกเราก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกเราก็เปลี่ยนลิ้นเราก็ได้รสชาตินะอร่อยอะไรยหรือไม่อร่อยเนี่ยความรู้สึกก็เปลี่ยนกายกระทบสัมผัสเนี่ยหนาวๆอย่างนี้แล้วลมชวยมาลมหนาวๆช่วยมาสดชื่นไหม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 ให้เราคอยรู้แท่นแจงของเราเราทํางานไปวันนี้คนมาติดต่องานเราจู้จี้เราจนเห็นแลาวราคาญหรือว่ารําคาญวันนี้นายชมดีใจรู้ว่าดีใจนี่คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนใจเป็นขณะขณะไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจิตมันจะสรุปได้ว่าความรู้สึกทุกอย่างนะเป็นของชั่วคราวเราพาวนาแทบเป็นแทบตายเพื่อวันหนึ่งเขาจะสรุปว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เพื่อเอาดีอะไร ถตรงนั้นแล้วมันดีจริงๆใจลอยด้วยจใจลอยใชอใจลอยก็คือลดการหลุดใจเก็เคยส่งคำว่าของพ่อนะคะแล้วขอพ่อบอกว่าใจว่างเสียเวลาที่เกิดดีแบบนี้ น, นะคะเวลาเมื่อไเกิดปัจจุบันนะะี้นะะดีขึ้นแล้วรู้สึกรู้สึกไหมมันกลับมาอยู่กับโลกได้เยอะขึ้นแล้วรู้สึกไหมแล้วไปอยู่ว่างๆไม่มีอะไรแสบายไปเผลอๆไปมันๆท่าน หน้าที่ของเราชาวพุทธน่าไม่ใช่ไปวิ่งหาความสุขในความาว่างๆนั้นตรงที่เจ้าสอนให้เรารู้กายรู้ใจให้เราเจริญสติปัฏฐานะเราคอยดูกายทํางานดูใจมันทํางานอย่าตอนนี้ใจไปคิดรูนะ้ไหมใจไปคิดก็รู้ทันเะม่อใจมันไปคิดนะคอยรู้เนระื่อยๆแต่นะจนะหเห็นมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นลนะรู้สึกตัวไหมว่ามันดีขึ้นอนะรู้สึกไม้มว่ากิเลสเกิดบ่อยครับบางทีก็ทํา อ๋อนะนั้นเราต้องสือส้อศีลไว้ก่อถ้ากิเลสเกิดถนะ้ถ้าเราไม่ทันนะเดี๋ยวเราไปด่าใครไปดีใครอนะไรนั่นเรามีศีล น, นะใจไม่โกรธขึ้นมาแค่รู้ไม่ห้ามเราไม่ห้ามจิตใจนะถ้าห้ามมันเก็บกดแต่เราควบคุมกายวาจาไม่ให้ทําผิดนะเรองนี้เรามีศีล น, นะเป็นกรอบหะดูเ อ, อมาใ ห, ห้คี้โมโหเห็นไหไใจเป็นคี้โมโห สวัสญญดีครูมเออดีสวัสดีครูคือครูคืควอว่าช่วงนี้ภาษาครูภาวนาไปแล้วมัน็นปกดีตอทีาานะ่ตายมันเป็นปกติแต่วลาเจื่องภาษาแรงๆแล้วมันมันกระทบตัดมันรู้ไม่ได้ครับภาษาแรงๆแล้วมันเหมือนบททดสอบแราเนะถ้าภาษาแรงขึ้นมาแล้วเราก็ทําไม่ได้แสดงว่าเรายังฝึกน้อยแป่ ช่วยใจด่างโดที่นะเราก็ดูบ่อยๆนะดูให้มากวันนี้ยังไม่เก่งไม่เป็นไรดูบ่อยๆวันนั่งก็เก่งอย่างบางคนไม่ค่อยมีอะไรมากระทบนะบอกใจสงบอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ยังไม่เก่งจริงอะต้องทดสอบนะมันที่มีอารมณ์แรงๆมากระทบเราผิดหวังแรงๆเสียใจแรงๆเราจะรู้เลยว่าเราพาวนานได้ขนาดไหนที่พาวนานอยู่ดีนะมันเฉยไม่ดีสังเกตไหมใจมันแยกออกไปใ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 ดูอีกดีขึ้นเยอะแล้วเจอกันครั้งนี้พอนานดีขึ้นเยอะนะมีบทแต่ความเยอะเลยหลวงพ่อแค่ช่วงเรื่องปัญห า, าเยอะมากแล้วช่วงไหนที่ไม่มีสภาวะ <c oughs> ไม่มีหรอกนะคือนภาที่เป็นกล์เออต้องเจอปัญหาเยอะ <c oughs> ใจก็โกรธบ่อยแล้วทําไงดีเ <c oughs> นี่ยรู้คํำตอบอยู่แนละ้ว <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่ามันยอมไม่ได้ เองไม่เป็นกางใช่หมเองไป็นกลางรู้ทนะันรู้อย่างนั้นไม่ต้องแท่นเป็นกลางมันไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางจิตเป็นอนัตตานะสั่งมันไม่ได้มันไม่เป็นกลางก็รู้ไปจะไปข่มไหมรู้สึกไหมให้ไปข่มมันไม่ความเครียดแค้นทั้งหลายนะดูไปปล่ยมันทํางานไปถ้ามันทุกข์มากจริงๆก็ท่าคาถาหลวงพ่อให้นะจําได้ก็มีคาถาที่พิเศษที่สุดเลยนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ไม่มีหรอความทุกข์ที่ไม่ผ่านนะธรรมดาพ่อครับว่าไงรู้สึกื่นเต้นธรรมดาผมไม่รู้ว่าตอนนี้ปฏิบัติไม่รู้เป็นไงครับแต่ว่าความอยากลดม้ยลงวันนาดีขึ้นสิใจเริ่มโตรลงรูเบาาขึ้นดูได้รู้ตัวได้บ่อยขึ้นนะคอยููมันทำงานดูมันทำงานไปเรื่อยๆไม่บังคับนะ อย่างตอนเราตื่นเต้นเราก็ไม่อยากให้ไม่อยากตื่นเต้นไม่กดเอาไว้ pane, ใจก็ครียดเครียดถ้าตื่นเส้นก็แค่รู้ว่าตื่นเต้นเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะสบายๆใจหลงไปคิดดูออกไหมเวลาที่ใจไหลไปคิดนะรู้ทันมันก็หลงกันนะไม่ห้ามนะแต่รู้บ่อยๆให้กันบ้านนะใจหลงไปคิดเรารู้ใจหลงไปคิดเรารู้เให้ทำตรงนี้นะแล้วตัวรู้นี่กับความคิด คนละตัวสิตัวรู้ตัวรู้คืตัวจิตนะความคิดเป็นสิ่งที่จิตกลุงขึ้นมาอย่าบังคับไล้นะของคุณผู้ชายอย่าบังคับตัวเองอยู่ปล่อยให้มันเคลื่อนไหวต่แล้วมีสติตามรู้มันไปนะสิ่งที่ให้กันบ้างก็คือจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตเผลอไปคิดละตอนที่จิตเผลอไปคิดเนะียเราลืมกายลืมใจตัวเอง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 เห็นได้แบบหนึ่งนะเดี๋ยวก็หลงใหม่เชิญการจะมาต้องการหลวงพ่อค่ะก็คือเอื่อประมาณวันสองสวันเมืเนี้ยค่ะมีโอกาสโชงดีที่เอได้โชคดีไม่มีนะคือได้ได้ฟังเสียงหลวงพ่อค่ะประมาณก็ืสองวันที่แล้วค่ะแล้วก็ได้ไปที่วันโนนอาซีนะคะก็ฟังแล้วรู้สึกว่ามันธรรมะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาแล้วเราก็อยากจะปฏิบัตินะคะแต่ทีนว่า ก็คือทีื่อจะเริ่มฟังแล้วก็คือยังสึกความสดระหว่างองกะจิตกับกายค่ะเราจะต้องเปคนที่ชอบคิดมากที่ไหลเลื่องในหต่ละวันเราไม่ต้องวิเคราะห์มากนะง่ายๆเลยคอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆเห็นเขียนในใจเราเขาคิดเรื่องนี้เกิดความรู้สึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้คอยรู้ทันความรู้สึกไปเรื่อยๆนะแล้วที่นี่เนี่ยเนี่ยหนูะควรจะเอ่อ ดูจิตไปเลยนะเพราะว่าเป็นคนช่างคิดนะแต่ของควรสุดท้ายก็ต้องดูกายด้วยแหละเพราะมันรักสวยรักงามด้วยนะ ร, รักสวยรักงามรักสุขรักสบายอนะไรเงี้ยเราจะดูกายนะแต่ตอนนี้ดูจิตไปก่อนสังเกตไมหมจิตเราแต่และ ว, วันแต่และเวลาไม่เหมือนกันนั่นแะใครรู้อย่างนั้นนะดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ดูให้หมันนิ่ง หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าภาวนาไปแล้วจิตจะนิ่งจิตที่สงบจิตที่มีความสุขอะไรนั้นเป็นปลายทางเป็นผลของมันเราตามดูจิตมันทํางานจิตไม่อยู่กับที่เลยนะเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงโดยอย่างนี้การบริรักษ์การค่ะผมก็หลรงพิยามฝึกสมาธินะคะอาจจะได้แค่เริ่มต้นคือฝึกมางาแต่ว่าตอนนี้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 การปฏิบัติทําเหมือนกันนะถ้าเราบางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขรู้ลมหายใจไปอย่างมีความสุขแล้วจิตก็จะสงบอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นนั่นอย่าไปบังคับไปกดขี่จิตนะถ้าจิตไม่มีความสุขจิตจะไม่มีความสงบเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําใจให้ทำใจสบายสบายสบสบายนะส่วนใหญ่ทําใจสบายไม่เป็นทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติเนี่ยนะจะกดขี่จิตใจตัวเองทันทีเลยเช่นอย่างนี้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 ความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบดังนั้นเรารู้ว่าอย่างมีความสุขอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆชอบหายใจชอบดูลมหายใจหายใจแล้วมีความสุขแล้วเราหายใจแล้วเราก็รู้สึกตัวไปหายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ได้หายใจแล้วน้อมให้สึมนะหายใจแล้วรู้สึกตัวไหายใจนี่ไม่หนีไปไหนใจสงบหายใจนมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิตนั้นเหมือนเด็กอะเด็กซนๆหนีไปจากบ้าน พอแม่เรียกให้เข้าบ้านแล้วเอาไม้เดียวไปไล่ตีเข้ามานี่กาบังคับมันมามันไม่มีความสุขเหลือเมื่อไร่มันกหนีไปอีกนี่ถ้าเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเราก็มีอุบายชวนมันกลับมากินขนมที่บ้านเมื่อกินไอติมมาอะไรเนี้ยนะมาทําตัวให้สบายดูประตูอยู่ในบ้านมีอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อมัมนเด็กก็ไม่เหนียวไปจากบ้าน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 มีทีทีแล้วมีสุขมั้ไม่มีนะถ้บาบังคับนะถ้ามันสงบไปตามรู้ตามดูแล้วมันสงบลงไปไม่มีความสุขนะงั้นอย่กไปนิ่งด้วยการบังคับเลยเหนื่อยเปล่าๆเราไปทานวิปัสสนาค่ะเอ่อหนูได้โยมฟังไปที่เกิดปฏิบัติธรรมค่ะแล้ววันนี้ผมเ อ, ามาองอ่านกับม่านที่ะว่า ความรู้ปึกแบบนั้นแล้วมีช่วนงที่นอนหลับไม่รู้เห็นสิ่งของุออกไปจากการแล้วเปถึงองครั้งครั้งที่สองนี่มีความเหมอนกับว่าได้ยินเสียงของอค่ะว่าตอนั้นมันเกิดภาวะที่ตกใจแล้วก็ได้ยินเสียงของพ่อว่าเออกลัวให้รู้ว่ากลัวอ๋อก็อย่างนั้นแหละอืมมันก็เหมือนกั ของหนูเข้าไปเนี่ยค่ะทีนี้แม่ทีบอกว่าเป็นการที่ว่าเอให้หนูเลิกเลิกเลิกปฏิบัติตามรูปแบบอะค่ะให้ให้ให้ทำเหมือนแบบทำงานบ้านไปอะไรไปอย่างเนี้ยค่ะคตอนนี้คม่เข้าคงคงแม่ทีผงไม่ได้ให้เลิกปฏิบัติหรอกอ่านั้นคงจะเพ่งเครียดมากไม่ทีดถึงให้เลิกนะไม่ใช่แค่ว่าเห็นกายมันแยกจิตมันแยกว่าให้เลิกหรอก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 แค่แค่ภาวนามไม่ยากอะไรการปฏิบัติธรรมง่ายตายเลยถามเรื่อกรารของพ่อค่ะเคยสงการกับพ่อคังเมื่อไคะอยารู้ว่าตอนนี้าก่แม่ <laughs> างไหมคะหลวงพ่าจาไม่ได้ว่าครั้งก่อนทำกันได้ไม่เท่าไหร่ทเคยบอกว่าภาวนาดีค่ะแต่ไม่มแน่ใจตัวเองว่าตอนนี้านาไปดูไปดูใ จ, ใจที่ฟูส่านนะใจมันฟูส่านเก่งรู้สึกไหมนะ<ม> <laughs> ใจฟ uh ูซ huh. ่านหรือว่าใจฟูซ่านอยูอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆตอนนีรู้สึกว่ามือหิกับรูปโคลนรูปบ่อกนั่นแหละได้รู้ทันนะมันไปฟูฟูฟูไปว่ามุอหงิกแล้วแ้วเวลามีความสุขเหมที่กดไหมมันสั้นนิดเดียวความสุขมันชั้นนิดเดียวรู้สึกไหมในบางครั้งมันซึ้งๆมันมีความสุขอ่ะมันแค่เรติดสุขไหมไม่ติดหอกเราภาวนาแล้วมีความสุขขึ้นมาเหรอ ในบาครั้งค่บ้านมันลงเพลินนะคะใช่เพลินไม่เอาิดแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องรู้กร่าต้งรู้กายรู้ใจนะถ้ามีความสุขให้รู้มีความสุขมีความสุขแล้วพอใจให้รู้พอใจนะไม่ใช่มีความสุขแล้วเพลินเพลิ่ะแล้วก็ทุกการถูกข้อนะคะหนูได้ไปผ่านทีวที่ได้มีฟัง ก็มีคนคิดว่าที่นิพพานว่าตอนที่คิดว่าตัวเองรู้ยัวเองเท่กกาก ร, รู้รู้ว่าคิก็รู้ก็รู้สิเป็นเกิดไม่ใจเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหมใจเราโปรงโรคเบารู้เนื้อรู้ตัวแล้วปขึ้นไปขึ้นนะถ้าเราภาวนาถูกต้องมันจะมีพัฒนาการที่มองเห็นได้แล้วพัฒนาเร็วด้วยไม่ใช่ช้านะไม่ใช่ทําอะไรปีเหมือนเดิมหลายปีเหมือนเดิมแสดงว่าทำํำผิดแค่ะ แล้วก็เป็นหวัดเป็อกแบนี้เรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะเพราะมันโมหะเย้ยด้วนะโหากัวเดียวก็รู้ไปโมโหขึ้นมาก็รู้ไปใค่ใจลอยบ้างมีไหมใจลอยใจลอยใจลอยอ๋อใช่ได้หลวงพ่อเียตัวหนาให้ยกใช้ได้ถ้ารู้จักใจลอยแล้วภาวนาง่ายนะ ของผมพ่อครับคือมบอกผมเร่องปัญหาสุท้ายนะครับก็คือผมฟังดีของลวงพ่มาก็หลายื่องยังไม่เคยมีเลยถามองถามงพ่อถามหพอได้เลยนะครับนจะรบนลงพะครับคือถามหลวงพ่อว่าเวลาผลอหับฝันมากมายเลไปแค่ไหนจิตจิตเสพฝันเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะร่างกายไม่สบายก็ฝันนะ ใจเรากังวันเรื่ยงหมกมุ่นอะไรมาม า, มากๆ ม, มันก็ฝันเพื่อระบายความเครียดก็ได้ะเหตุเขางความฝันมีทั้งหลายอย่างคือข <immen. S 2> ั้นตอนนันก็เป็นนะโอ้ผมคิดว่าผมพันสหานีผีดวิธีเพราะว่าก่อนหน้านี่จะเจอปีติของหลวงพะครับผมก็กคือฟังของหลวงพ่อ แ, พอและเรียนรู้เรือว่ากมื่ไร่ปัสสาวก่อนมาผีดไปอมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ทำไมันแต่ว่ามันต้องฝนันแบบคืนตนัน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 มันพักผ่อนพอสมควรแล้วมันก็ขึ้นมาคิดอันนี้หมายถึงกรณีปกตินะถ้าอย่างร่างกายไม่สบายอะไรเงี้ยบางทีก็ฝันฟู้งแต่ม like no so right? ันไม่ปกติตรงที่ว่าพอเวลาเดินมาแล้วเนี่ยมันมันเหมือนมันไม่ได้นอนเลยเทียบว่าต้องนก็โผลหัวเล่นหัวที่มันเป็นนี้มาสองสามทีแล้วก็เดินก็แบบนี้อยากจะเดิหลวพ่อมากเลยอ่ะก็หลวพ่ออยู่ในหลวงคือคือคือจริงจริงก็ยากอะไรนะ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 ใจมีความสุขต่เรื่องใจเรากังวลว่ามันคิดตลาดคืนเป็นฝันตลาดคืน<ต>กังวลไหมอดให้กัวงวลพอมันเดิปีนี้ตอนข้อ้ก็ลงลงไปได้เยอะแต่พยายามที่จะแบ่า ไ, ไม่ไม่กังวลยังไงแต่ก็ฝานไม่ฝันมันเดินถ้าไม่ได้หรอกนะจิตมันจะทํางานแล้วบางคนนะบางคนมันเป็นจากร่างกายก็ไม่หรงก้าเปิดจอกั น, นสมองเนี่ยสปาตลาดคืนอันนั้นเป็นทางร่างกาย พคุณไม่ได้เป็นอย่างเขาหรอกผ ม, ผมที่กผมแรกก็คือที่ฟ้องพ่อคือฝ่ายความผิดไอ้ที่ผิดมันเป็นอดีตไงหมดละตอนนี้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆไป แ, แล้วอย่าไปกังวลว่านอนไม่พอร่างกายมันหลับนะจิตทหาที่มันไม่หลับเราั้นร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนบางทีนะบางทีภาวนาะให้นอนนอนอยู่เนะี่ยจิตมันถอดออกมาเห็นร่างกายนอนอยู่ไปเป็นนะม เนร่างกายนอนนะสั่งให้มันกระดุ ก, กระดิกก็ไม่ได้นะ <sock> ใช่ไหมโอ้ น, นั่นนั่นแหละร่างกายมันยังหลับอยู่นะมันได้พักอยู่แล้วจิตต่างหอะไรที่ตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กังวลสัยอย่างเดียวจิตก็ไม่เคลียหรอกถ้าร่างกายมันได้นอนอยู่แนละ้ว <weird> <Ländern> ดีนะภาวนาเห็นตอนนี้แหละภาวนาดีสดติมันเกิดบ่อยดีเกินไปอยากนอน ของหลวครับหลวงพไปเป็นน่ะตอนนั้นรับราชการอยู่แต่เราก็ชอบนั่งสมาธิทุกวันอ่ะมีไปต่างจังหวัดเนะอะยังเป็นผู้น้อยในห้องหนึ่งต้องนอนสอคนลูมเมทหลวงพ่อมนเป็นรุ่นน้องอีกทีแล้วพอเราหลับไปนะแล้วมันตื่นขึ้นกลางคืนะมันเห็นหลวงพ่อนอนอยู่คนหนึ่งนะหลวงพ่อนั่งอยู่อีกคนหนึง <c oughs> นั่นแหละหลวงพ่อเลี้ยงผีแล้วปันตุมต้มโป่งกลางคืนเลย <c oughs> จิตมันจักกายมันแยกออกมารู้สึกไหมกายมันนอนบางทีกายมันกลนได้ด้วยนะเ อ, อดูออกไหมจิตนะมันอยู่ข่างหาสติของคุณดีไม่ใช่เป็นปัญหานะเพียงแต่ว่าเราเคยชินที่จะนอนนานๆไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่รู้รตัวเราเคยชินอย่างนั้นเราบ้าอย่างนั้นดีจบบละมั่งไม่มีแล้วนี่นทางองนี้จังหวัดชนบุรี ได้มาฟังประธานของอาจารย์ธรัมโอสถของก็ของญาติการของพระคุณทาจารย์ธรรมโอสถมโอชุนี่ได้โอกาสนี้นะครับที่ได้พิ u l า r ให้เวลาการนักศึกษ์และก็ผู้ป็นบัติธา เพราะการเรเริ่มนจากธรริสิสครับปรกอบาติรารกอบคนรหาับาภาวนาะนะภาวนาไม่มีอะไรดีถ้าภา ว, วนาวเอ ง, ว, ว, เองวันหนึ่งต้องพ้นทุกข์ให้ได้นะชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทุกข์ตลอดกาลถ้าภาวนาวันหนึ่งเราพ้นทุกข์เ่ยนได้เลยเดี๋ยวหลวงพ้อไปก่อนเราต้องพักผ่อนไหมเออเดี๋ยวนี้แต่ขอทนไป้ ตั้งใจนะใจทำใจให้สงบบุทิศส่วนบุญของเราให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้สา์ทั้งหลายนะตั้งใจยะาวาริวหาปูราภริปูเรนตีสาพลังเอวามีวาอิโตหินังเปตานังอุกปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดพเมวาสมาชตุ สัพเพกูเรนตูสังกปาจันโทพนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพพโรโควินาสโตมาเตภวัตวันตราโยสุขีตีขายุโภควะอาภิวาทนาสีลิสนิตจังหุวทาปัจายิโนจักตารโรธรรมมาวัฏทันตีอายุวันโนสุขังัะลัง